ข้างในนั่งในหมดหรือยังเราทา น, นั่งในหมดพร้อมเพียงกันแล้วก็วันนี้ผมขอโอกาสสัน่นอาจารย์หรือสั่นลงุงตาได้บนรนดาได้นำพระทิกสุสามนเนนและญาติโยมซึ่งอยู่รอบเมืองกุดรและต่างอำเภอมาทำสักการะบูชา โพธิที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งเป็นลมโพหลมใจของพวกเราทั้งหลายบัดนี้อายุท่านก็แปดสิบปดปีอยากับมาแล้วทางกายทางใจของท่านก็เหนื่อยหลวงปู่ก็เหนื่อยเหมือนกันละแปดสิสามเนี่ยเาี๋ยวลกตีลูกหามาคารวะเพื่อขอบุญพบคุณในการที่ระบำบัดฟังแต่ในทางกายทางวิจารทางใจก็ดี ท่านดนอาโหสิกรรมในวันนี้บัดนี้ก็ฟังแล้วขอให้ทุกท่านทุกเขาขึ่งสาบบาบบาบพอกอย่าโยมอยู่ลมไม้กับกาอยู่ลมไม้นั่นได้ละ โตรงนะ้เลยนะเออตรงครับแล้วจงเตะตนกได้จงเตะน้อกวางตุจจิกมาละวตุจจิกนะวางติกมา เวลาพูดธรรมะก็คือถ่ายภาพถ่ายรูปนั่นแหะมักจะมากวนเสมอนะให้หยุดเด็ดขาดเวลาเทศนาว่าการมักมีเสมอแล้วเคยได้ดูเสมอถ้าถ่ายภาพแล้วก็หมดเลยธรรมะกําลังเทศไม่มีเหลือทําลายหมดทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟังด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาขาดประโยชน์ไปหมดเริ่เดียวหมดเลย ก็ถ่ายรูปมักจะมีเสมอนะอ่าคว้าห <c oughs> มาปล้องแล้วจันจนาให้พรอ้างขมามีตุตมแห่หิจินเอขมิตับบางอเอวางห้ตุโยเจปุเ บ, บปะมะชิตตวปะปัชชาโซนับภมัชชาติโซมังโลกังปะคาเซเิี ย, พ, ยาพามุตัวจันดิมา ยะสภปาปังกะตะังกั ม, มังกุสะเลนะปะหิยะติโสมังโลกังบพาเศเสติอะพามุตัวชันดิมาอภิวาดนาัสีิสนิจังมุธาปชายีโนจตารโรธมาวาทานติอายุวันโนสุขังมาลาง ขนาดโอวาด้หน่อยีมัน โ, โเ่เหนี่ใ่ก็สองน้ำคัมก็ใ่กินแต่าโโายาเจามแรงนางน่งเต็มเขาไหมอยู่เนี้าไมเขาไก่นั่นคนะือวันนี้ไม่เหมือนเก่าแล้วถดชำรุดมากแล้วทุกวันนี้ถชดชำรุดมากขับถีไปชั่วโมงนึงเข้าอู่สามเดือนก็นไม่ออกอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแล้ว วันนี้ท่านหลวงปู่พระราชวรดิษฐ์เจ้าคณะภาควัดโพธิสมพรได้นำคณะเจ้าคณะทั้งหลายทั้งพระเนนตลอดถึงประชาชนมาจำนวนมากมาเยี่ยมวัดป่าบันตาศและมาทำวัดสมมาเขาเรียกว่าสมมาคารวะตามภาษาของเรา ขอขมาลาโทษตึงการละกันเพราะคนเราต่างมีกิเลสเจ้ามีความปิดพลาดด้วยเช่นเดียวกันการขออภัยตึงการละกันการขอขมาลาโทษตึงการละกันนี้เป็นแนวทางของนักปราชญ์ที่ท่านดําเนินมาไม่ถือสีถือสาซึ่งการละกันเจ็บตรงแล้วปัดนี้ท่านขอนิโมนห์ให้หลงตาแสดงธรรมให้แก่ปีน้องทั้งหลายฟัง ไม่มากก็น้อยก็ไม่เป็นไรว่าอย่างนั้นฉะนั้นจึงขอให้ทุกทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังวันนี้จะพูดเรื่องศาสนาพวกเราชาวพุทธ นับถือพระพุทธศาสนามานมนานตั้งแต่ปู่ย่าตายายก่อนนั่นมาอีกจนกระทั่งปัจจุบันเรายังไม่อาจทราบได้ว่ า, าศาสนาแท้คืออะไรทำรรแท้คืออะไรเพราะใครก็เห็นแต่ตามกคำพีใบลานท่านบอกไว้นั่นเป็นชื่อของธรรมนั่นเป็นชื่อของาศาสนาชื่อของบาปชื่อของบุญ ชื่อของนรกสวรรค์ชื่อของคนดีคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่วแต่หลักธรรมชาติจริงๆแท้แล้วคืออะไรตัวจริงที่ระบุชื่อระบุนามนั่นคืออะไรที่ถูกระบุนั่นคืออะไรเช่นตัวบาปจริงๆคืออะไรบุญจริงๆคืออะไรนรกจริงๆคืออะไรสวๆๆออรรค์จริงๆคืออะไรศาสศาสนาที่แท้จริงคืออะไร นี่เราไม่ค่อยจะได้เข้าใจกันนักหนาคําว่าศาสนาที่แค่จริง น, นั้นท่านกล่าวออกมาเป็นกิริยาว่าศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเอามาจากของแท้ของจริงได้แก่ธรรมล้วนๆซึ่งเป็นหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้แล้วได้นำธรรมนั้น ออกจากพระไทยที่จัดสู่บรรจุธรรมไว้อย่างเต็มที่แล้วนั้นออกมาสั่งสอนสัตโลกให้เป็นกิริยาพ ร, ระสัพพะปัสสะกรนังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุศลสู้ประสัมประดาการยังกุศลคือความฉลาดโดยทาให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิตาปริโยดพนังการทำผิดของตนให้สงสัย จนกระตั้งถึงขั้นบริสุทธิ์หนึ่งนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และนี่แหละคือศาสนาท่านชี้ลงในจุดนี้กิริยาที่ท่านบอกนี่บอกลงในจุดที่จะเป็นบาปเป็นกรรมให้แก่พวกเราทั้งหลายทราบหลักศาสนาที่เราปฏิบัติทุกวันนี้ท่านแสดงอาการออกมา เพื่อนํากิ่งก้านสาขาดอกใบนี้เข้าไปหาต้นลาอย่างแท้จริงคือทำแทะทำแทะได้แก่ทำที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้เจอเข้าไปในพระไทยได้เจออย่างจริงจังในพระไทยที่พระหันท่านบรรลุนั่นแหละคือทำแท้การปฏิบัติตัวเอง รักษาศีลภาวนาการทําบุญให้ทานนี้คือกิ่จการสาขาแห่งทำแท้และเดินตามเข้าไปดาตามเข้าไปเพราะนี้เป็นสายทางที่จะให้เข้าถึงทำแท้ความพ้นทุกแท้ไม่ใช่พ้นธรรมดาไม่ใช่พ้นเล็กๆได้น้อยแล้วเข้ามาคุกเข่ากับทุกอยู่อีกเป็นความพ้นทุกแทะนี่ออกออกจาก กิจยาแห่งการทำดีทั้งหลายนี่อย่างพวกเราทั้งหลายมาบวชในพระพุทธศาสนานี่ท่านให้รักษาศีลว่าสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อสองรอยี่เจ็ดข้อนี้เป็นข้อห้ามอย่าได้พากันทำถ้าทำลงไปแล้วก็เป็นความด่างพร้อยและทะลุในศีลของตนนั่นแหละคนเราเมื่อศีลไม่บริสุทธิ์แล้วก็เหมือนกับผ้าที่ไม่บริสุทธิ์ ขาดขาดด่งดางๆพร้อยพอยแล้วขาดมากกว่านั้นก็ขาดหมดทั้งตัวเพียงแต่ขาดเล็กเล็กน้อยนอยก็ไม่น่าดูแล้วมองเห็นอรวิวาส่วนต่างๆชัดบ้างไม่ชัดตั้งเข้าไปจมทั้งถึงขาดซะหมดทั้งตุ้นแล้วดูไม่ได้เลยใครนุ่งห่มก็ไม่ได้นี่ก็เหมือนกันสีนขาดสีนขาดเล็กเล็กน้อยน้อยก็ด่างๆดาวๆาวไม่น่าดูถ้าเป็นคนก็ไม่เต็มบาทเป็นพระก็ไม่เต็มเต็ง เป็นพระเจ็ดสิบห้าบงเป็นพระหกสิบห้าบงเป็นพระยี่สิบห้าบงสุดท้ายไม่มีพระเหลืออยู่เลยท่านว่าปาราชิก ส, สี่เหล่านี้เรียกว่าขาดทะลุอย่างพินาชิบหายให้เรารักษาศีลทั้งสองอยี่สิเจ็ดนี้เป็นอย่างน้อยที่อนุบัญญัติซึ่งมีมากกว่านั้นก็รักษาประจำตามกันแต่ขอ้อสำคัญก็จุดบัญญัติไว้ในเบื้องต้นว่าสอง้ยี่สิเจ็ดนี้ให้ต่างองต่างรักษาด้วยดี เรามาบวชในพระพุทธศาสนามารักษาศีลรักษาธรรมคำว่าธรรมคือเป็นคู่เคียงของศีลศีลศิริยาของศีลที่รักษาด้านนี้ก็จะทำให้ธรรมของเรามีความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในใจเช่นสมาธิภาวนาการอบรมภาวนาให้จิตใจเป็นสมาธิเป็นอย่างไรนี่เริ่มเข้าไปหาธรรมแล้วนี่เริ่มตั้งแต่จิตใจสงบ นี่เริ่มเห็นกระแสของธรรมเข้าไปแล้วจิกใจสงบก็สงบเข้าไปมากเข้าไปมากเข้าไปสงบจนราบภาพจนกระทั่งกิเลสไม่มีอะไรเหลือแล้วสงบราบที่เรียกว่านาิสันติปราสุขขังสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบเพราะกิเลสสิ้นไปนี้ไม่มีนี่เป็นเป็นความสงบอันนบบับภาพหรือความสงบอันสุดยอดนี้แหละเป็นธรรมแท้เข้าอยู่จุดนั้น เรปฏิบัติศีลธรรมก็ให้พระกันธรรมะระวังรักษาแนวทางนี้ไว้ให้ดีเพื่อจะก้าวเข้าสู่ธรรมสมาธิธรรมก็เป็นหน้าที่ของพระของเล น, นเรานี่ยแหละจะเป็นผู้บำเพ็ญอย่าปล่อยอย่าทิ้งให้ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเจ้าของของศีลธรรมเหล่านี้เพราะคําว่าเป็นพระเราเต็มเป็นพระเต็มองค์เป็นเล น, นเต็มองค์ด้วยกันจะ เ, เป็นผู้ทรงศีลทรงสมาธิทรงปัญญาด้วยกันจงพยายามบำเพ็ญศีลของตนให้บริสุทธิ์ แล้วกับบำเพ็ญสมาธิคือความสงบใจให้เกิดขึ้นภายในจิตใจใจที่มีความสงบยอมไม่วอกแวกคอนแวนไม่ดีดไม่ดิ้นไม่รบกวนตัวเองเรียกว่าใจสงบถต่ใจไม่สงบนั้นใจคืึใจขนองมองเห็นอะไรก็มีแต่ความขึ้นความผนองเต็มหูเต็มตาเต็มจมูกเต็มลิ้นเต็มกายจากรูปจากเสียงจากสินจากรถมีแต่สิงย่อยวนกวนใจใจของเราก็มีแต่ ความวุ่นวี่วุ่นวายหาความสงบไม่ได้ก็หาความสุขไม่ได้มาบวชในศาสนาแทนที่จะรับความสุขจากศาสนากลับได้รับความทุกข์ความลําบากความกรวนกวายเพราะไม่รักษาจิตใจของตนให้เป็นสมาธิคือความสงบนั่นแหละเพราะฉะนั้นจงพาการรักษาสมาธิก็ให้รักษาเวลาเดียนก็เรียนเรียนก็เรียนเพื่อเป็นสมาธินั่นแหละเพื่อเป็นปัญญาเพื่อเป็นนิมมุตหลุดพ้นนั่นแหละจะเรียนเพื่ออะไรไม่จะเรียนแบบโลกเขา อย่างทิโลกเขาเรียนกันนั่นเขาเรียนเพื่อโลกเพื่อสงสารเราเรียนนี่เราเรียนเพื่ออัศเพื่อธรรมเพื่อศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติผุดพลนราะฉะนั้นจงทั้งเรียนทั้งธทำเวลาเรียนก็เรียนท่องบนสังวรทยายก็ท่องอเวลาสงบใจต่อยจากพิการศึกษาเราเรียนแล้วก็ให้ทําจิตทั้งตนให้มีความสงบด้วยสมาธิจะคำว่าสมาธินั่นคือความสงบหรือคือความแน่นหนามั่นคงของใจ ความสงบสงบเข้าไปหลายครั้งจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้จิตเป็นสมาธิคือจิตมีความแน่นหนามัน่นคงแม้จะคิดอ่านใ่ตรองเรื่องราวอะไรอยู่หรือได้อยู่ก็ตามแต่ฐานของจิตนี่มีความแน่นหนามั่นคงอยู่กับตัวเองนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อเรารักษาจิตของเราหลายครั้งหลายหนด้วยบทบริกรรมคําใดก็ได้เพราะตามธรรมดาของจิตนั่นอยู่เฉย จะให้เป็นสมาธิให้สงบนี่จับไม่ถูกเพราะความรู้มีอยู่ทั้งร่างกายของเราซ่านไปหมดไม่ทราบจะจับจุดไหนเป็นผู้รู้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้จับเอาคําบริกรรมคําใดคําหนึ่งมาเป็นที่เกาะของจิต mm. เช่นพุทโธ mm. ธรรมโมนิสังโธหรืออนาะปานาสติเป็นต้นคําใดก็ตามให้จิตติดแนบอยู่กับคําบริกรรมนั้นนั้นนี่เรียกว่าภาวนา ภาวนาคือการอบรมให้เกิดให้มีในความดีทั้งหลายเราภาวนาติดต่อกันนมัดระวังด้วยสติเช่นพุโทโธพุโทโธก็ให้รู้อยู่ใช้จิตรู้อยู่กับพุโทโธพุโทโธเท่า น, นั้นมีสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาจิตกับธรรมคือพุโทโธจิตคือผู้รู้สัมผัสสัมพันธ์กันต่อเนื่องไปโดยลําดับแล้วจะสร้างผลขึ้นมา ให้เชื่อมโยงถึงการกลายเป็นความแน่นหนามั่นคงกลายเป็นความสมบงบร่มเย็นขึ้นมาภายในใจของตนนี่เรียกว่าธรรมเกิดเริ่มเกิดแล้วคือความสงบเกิดแล้วความแน่นหนามั่นคงของใจเกิดแล้วความไม่วุ่นวายทั้งหลายเกิดแล้วนี่เริ่มผมเริ่มโกรธเกิดจากนี้เมื่อจิต ได้อาศัยคมบริกรรมคำใดก็ตามอยู่เป็นนิสจัการในขณะที่ภาวนานั้นแล้วจิตจะมีความสงบเย็นลงไปเย็นลงไปแล้วก็จับจุดผู้รู้ได้ผู้รู้คือมีความรู้เด่นอยู่ในจุดเดียวนี่เรียกว่าจิตจับได้แล้วในขั้นนี้เราเริ่มจับจิตแต่แล้วนี่แหละจิตแท้เป็นอย่างนี้ไอ้ส่วนที่เรารู้อยู่ตามสารพรงร่างกานั้นมันเป็นกระแสของจิต แต่จิตเองกระจับไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องหาเครื่องถ้าผู้แบบโลกเขาเรียกว่าเครื่องร่อเครื่องร่อใจคือพุโทโธให้ใจติดให้ใจเกาะอยู่กับคำว่าพุโทโธเป็นต้นให้รู้อยู่ตรงนั้นเมื่อรวมเข้ารวมเข้ามีแต่คำว่าพุโทโธไม่มีความอื่นเข้ามาแทรกมาปนมีแต่คำว่าพุโทโธคำเดียวคำเดียวตลอดภรกิตเราจะสงบเข้ามาสงบเข้ามา แล้วก็สงบแน่วแน่แนบแน่แนลงไปมีแต่ความรู้ล้นวนเวลาสงบมากๆจริงๆแล้วนะคาบริกรรมกับผู้รู้นี้จะโก่งคืนเป็นอันเดียวกันบริกรรมไม่ได้เลยนึกบริกรรมไม่ออกเพราะจิตเป็นผู้รู้เต็มตัวแล้วถ้าอย่างนั้นให้ปล่อยคําบริกรรมนั้นเสียเพราะไม่ไม่บอกให้ปล่อยก็ปล่อยแล้วให้อยู่กับความรู้นั้นเสีย จนกระทั่งความรู้นั้นกระดิกพลิกแพงหรือมีกระดิกออกมาแล้วค่อยนำคำบริกรรมเข้าไปแทนที่ใหม่แล้วบริกรรมต่อไปใหม่นี่เรียกว่าภาวนาหยุดสงบย่อมอิ่มตัวคาบริกรรมนั้นก็อิม่มไม่ไม่รับคำบริกรรมต่อไปมีแต่ความรู้ล้วนๆเด่นอยู่ภายในหัวใจคือในหัวอกนี่แหละนี่หัวอกตรง ก, งกลางอกเรานี่ไม่ได้อยู่บนสมองนะ ทางภาคภาวานานี่ได้ทำเต็มกำลังความสามารถจนกระทั่งหายสงสัยในเรื่องความรู้นี่อยู่ที่ไหนแน่ความรู้ไม่ได้อยู่บนสมองบนสมองเป็นสานที่ทำงานแห่งความจำทั้งหลายเวลาเราเรียนหนังสือเรียนมากๆนี่สมองทื่อไปหมดเลยเพราะความจำอยู่บนสมองก็ททำงานอยู่ตรงนั้นแต่เวลาภาวานานี่ภาวานานมากสะลายมากสลายจิตทั้งเรายิ่งสงบอยู่ภายในสวงอกของเรา ก, กลางอกนี่แหละ สงบอยู่ตรงนี้สว่างสวัยอยู่ตัวตรงนี้แม้จะเกิดทางด้านปัญญาก็เกิดอยู่ที่จุดกลางนี้คือเกิดอยู่ในสวงอกของเราเนี่ยซ่านอยู่ภายในนี้สว่างสวัยอยู่รอบตัวภายในหัวอกนี้ไม่ได้อยู่บนสมองบนสมองเลยกลายเป็นอวัยวะเหมือนอวัยวะทั่ ว, วไปหมดไม่ปรากฏว่าความรู้ไปหนักไปแน่นอยู่ในจุดใดแต่มาหนักแน่นอยู่ในถํากลามอกนี้เท่านั้นนี่เรื่องการภาวนาเวลาจิต มีความสงบแล้วจะสว่างสวัยหรือจะสงบเย็นอยู่ภายในหัวอกของเรานี่เวลาจีบเกิดปัญญาคำว่าปัญญานี่ปัญญาที่เราเรียนมานั้นเป็นบาทฐานแห่งปัญญาที่จะเกิดขึ้นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองที่ท่านเรียกว่าศรราีลสมาธิปัญญาในหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นจะเกิดขึ้นภายในนี่แหละอาศัยปัญญาที่เราขาดเราคิดนี่ซะก่อนสัญญาเป็นตัวหมายไป ปัญญาพิจารณาโดยจิตของเรามีความสงบเย็นพอสมควรแล้วก็อิ่มอารมณ์ภายนอกคู่เสียงตินรุเครื่องสัมผัสสัมผัสจิตทําให้ใจคึกขนองก็ปล่อยตัวไปปล่อยตัวไปมีแต่ความสงบเย็นอยู่ภายในนี่เรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์จิตอิ่มอารมณ์นี่เราพาพิจารณาทางด้านปัญญาคืออเนจังก็ตามทุกขงังก็ตามอรต า, าก็ตามอสุภะอสุพางก็ความไม่สวยไม่งามในร่างกายของเขาของเราก็ตาม เราก็พิจารณาอยู่ภายในหัวอกของเรานี่แหละมันทําอยู่ในนี้เองไม่ได้ไปไหนนี่เรียกว่าการพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วจะเกิดความคล่องแคล่วแก้วกล้าความสว่างสวยเกิดความคล่องตัวขึ้นภายในจิตใจนี่เรียกว่าปัญญาได้เกิดกับคู่ภาวนาที่แรกอาศัยสัญญาคาดหมายไปซะก่อนพอคาดหมายไปหลายครั้งหลายหนปัญญาค่อยตั้งตัวได้แล้วก็ดําเนินโดยตัวเอง ไม่ต้องไปอาศัยสัญญาอารมณ์ที่ไหนเป็นปัญญาอัตโนมัติขึ้นมาดังที่ท่านแสดงไว้ในปัญญาสาในภาวนาสามประเภทคือสุตปัญญาสามประเภทคือสุตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังหนึ่งยินตายินตามยะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาใจ ต, ต้องหนึ่งของสามัญชนทั่วๆไป ภาวนามมยปัญญาส่วนภาวนามยปัญญานี้เกิดขึ้นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองมีแลที่ท่านเรียปัญญาเกิดภาวนามยปัญญาเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นโดยหลักธรรมชาติท่านเรียกว่าอัตโนมัติปัญญาขั้นนี้แลเป็นปัญญาที่จะฆ่ากิเลสเป็นปัญญาที่เห็นมรรคเห็นผลกิตริพุติเจ้าว่า โซดาปฏิมากสโสดาปฏิผลสกิทาคามักสกิทาคาผลอาณาคามักอาณาคาผล ค, ค, คือปัญญาประเภทนี้แหละจะเป็นผู้ก้าวเดินในแถวธรรมเหล่านี้ในของผู้ปฏิบัติเองไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดจะรู้จะเห็นหากเป็นผู้นั้นเพราะอํานาจแห่งปัญญานี้เป็นปัญญาที่สูงทราบเป็นปัญญาที่ก้าวเดินโดยลําพังตนเองโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับรูป ก, กับเสียงกับกลิ่นกับรสว่าเราได้ยินได้เห็นสิ่งใดจึงจะมาเกิดปัญญาข้อคิดขึ้นเพราะ ได้เห็นได้ยินสิ่งเหล่านั้นอย่างนั้นก็ไม่ใช่เราจะพิจารณาอยู่โดยลำพังนี่เท่านั้นจะเกิดขึ้นโดยลำพังตัวเองเมื่อพบสิ่งใดสัมผัสสัมพันธ์ก็เกิดไม่พบก็เกิดท่านเรียกปัญญาภาวนามายะปัญญาเป็นปัญญาอัตโนมัติของผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่รู้ปัญญาประเภทนี้ต้องปฏิบัติศีลเราก็ปฏิบัติแล้วสมาธิ เป็นพิอภาในใจ้วก็รู้แล้วคือความสงบเย็นใจมีขอบมีเขตสมาธิมีขอบมีเขตเหมือนกับน้ำเต็มแก้วเมื่อเต็มภูมิของสมาธิแล้วจะทำให้หนาแน่นมั่นคงยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกไม่ได้เต็มภูมิเหมือนน้ำเต็มแก้วเอาน้ำที่ไหนมาเทก็ล้นออกหมดนี่สมาธิเมื่อเต็มภูมิแล้วก็เหมือนกันเช่นนั้นแต่ปัญญาไม่เต็มเช่นนั้น ปัญญาเมื่อได้ก้าวเดินออกไปตั้งแต่เราเริ่มพิจารณาปัญญาโดยสัญญาอารมณ์ซะก่อนใช้ปัญญาวาดใช้สัญญาวาสผ้พา พ, พิจารณาไปหลายครั้งหลายหนจนเกิดความซึ้งภายในใจเห็นว่าเป็นอนิจจังดังแท้จริงทุกขังอย่างแท้จริง อ, อ, อ, อนัตตาอย่างแท้จริงเป็นอสุภะอสุภังประจักษ์ใจอย่างแท้จริงแล้วนี้ปัญญาก็ัะนนี้ลราก้าวเดินที่นี้ตั้งแต่นั้นต่อไปแล้ว ก้าวเดินหมุนติว้วหมุนติว้วเหมือนน้ำซับน้ําซึมเหมือนไฟได้เชื้อเชื้อไฟอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปตามเชื้อนั้นโดยไม่หยุดหย่อนกระทั่งเชื้อไฟนั้นหมดเมื่อไรแล้วไฟถึงจะดับอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันการพิจารณาปัญญาในขั้นนี้เช่นพิจารณาอรูปะอรุภัณฑพิจารณาจงกระทั่งอรูปะอรุปภังนี้อิ่มตัวเต็มที่แล้วปล่อยวางทั้งสุภะทั้งอรูปะ หมุนตัวแต่ตรงกลางไม่ยึดในสุภะไม่ยึดในอสุภะทั้งสองนี้เรียกว่าปัญญาอิ่มตัวในขั้นนี้นั่นเป็นขั้นๆ้นอย่างนี้ของผู้ภาวนานี่แหละปัญญาเก้าเดินเครื่องรักเพื่อกกผลขั้งพุทธการท่านก้าวอย่างนั้นเรามาปฏิบัติก็เป็นสวรรค์ธรรมตราดไว้ชอบแล้วเหมือนกันเมื่อปฏิบัติตามนี้แล้วของเราทุกสิ่งทุกอย่างมีเหมือนท่านอริยสัตว์ของเราก็มีเต็มภูมิเหมือนกันทุกข์ก็เต็มหัวใจเต็มกาย สมุทัยก็เต็มหัวใจของเราด้วยกันมากพยายามทําให้เต็มหัวใจแล้วต้องแก้สมุทัยโดยแน่โดยโดยแทย้เมื่อสมุทเมื่อมากแก้สมุทัยไปมากน้อยเพียงไรนิโรธคือความดับทุกจะดับไปเรื่อยๆเลยๆตามผลของมากที่ทําได้มากน้อยแล้วก็ไม่ไปเรืเ่อยๆส่วนอสุภะอิ่มตัวแล้วก็หมุนตัวไปทางอื่น มุนตัวไปเวทนาสัญญาสร้างขามวิญญาณนี่เรียกว่าปัญญาโดยหลักธรรมชาติของคู่ปฏิบัติภาวนาเมื่อพอพอตัวแล้วก็หมุนตัวไปเรื่อยๆไปเวทนาสัญญาสัญญาสงขามจิญยาณประสานงานซึ่งกันและกันโดยอัตโนมัติของปัญญานี่แหละปัญญานี้เป็นปัญญาที่ก้าวสู่มรรคสู่ผลไม่มีใครบอกก็ตามใครจะปฏิเสธว่ามรรคผลนิพผานไม่มีก็ตามสิ่งที่ยังทราบประจับใจประจักษ์ใจ หากซึมซาบฟันอยู่เช่นนั้นดูดดื่มก็อยู่เช่นนั้นหมุนก็ตัวไปอยู่เช่นนั้นมีเรียกว่าอัจฉริยะศรัทธาเป็นผู้รู้ผู้เห็นในอนีตทำทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ตั้งแต่เพื่อนเพื่ น, น, นจนกระทั่งมิมุดหลุดพ้นจะเป็นธรรมชาติซึมซาบภายในจิตโดยลําดับไม่ไปหวังฟังจากผู้หนึ่งผู้ใดเขาเชื่อเขาบอกว่ามีหรือไม่มีมรรคผลนิพพานว่ามีหรือก็าตามไม่มีก็าตามไม่สนใจยิ่งกว่าความจริงที่รู้อยู่เห็นอยู่ระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันอยู่ภายในใ สมุทัยเป็นยังไงมากเป็นยังไงเข้าแก้กันอยู่ภายในจิตใจใจเป็นสนามรบเพราะกิเลสกับธรรมอยู่บนหัวใจใจเป็นเวทีฟาดกันอยู่ตรงนั้นดูดดื่มอยู่ตรงนั้นหมุนติ้วติ้อยู่ตรงนั้นนี่ท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาของผู้ปฏิบัติให้มันเป็นในหัวใจของเจ้าของเองเราจะประกาศเจ้าขึ้นเลยพระพุทธเจ้าผริพานไปกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านหาที่สงสัยไม่ได้เพราะจุดอริยสัตว์นี่แลเป็นที่อุบัติแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตลอดถึงภาษาบอกทั้งหลายจะพ้นจากอริยสัจนี้ไปไม่ได้แม่พระองค์เดียวนี่คือเป็นสถานที่ผลิตหรืออุบัติของพระพ <way. speakers. S 2> ุทธเจ้าของท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายอุบัติขึ้นที่ตรงนี้แล้วก็จอจิตของเราไปตรงนั้นเหมือนไปได้เชื้อเผากันอยู่ตรงนั้นเห็นกันอยู่ตรงนั้นแก้กันอยู่ตรงนั้นเฉลี่ยออกมาฉากใดมุมใดสติปัญญาหลบฉากหลบมุมกันแก้กันอยู่นั้นเหมือนนักบวชต่อยกันบนเวทีนี่เป็นเครื่องที่เพลินมาก สำหรับผู้ปฏิบัติในปัญญาคั้นี้แล้วลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมหิวลืมเหน็ดเหนื่อยไม่อลาลืมหลับลืมนอนหมุนติวเพราะนั้นท่านถึงให้สอนให้เข้าพักสมาธิเมื่อได้ออกรบได้แกการพิจารณาทางด้านปัญญานี้มันจะเลยเถิดแล้วให้เข้าภากในสมาทศในสมาธิพักผ่อนย่อนจิตคือไม่ใช้กิริยาเพราะเรื่องของปัญญาก็เป็นกิริยาแห่งการทํางานอันหนึ่ง เรียกว่างานของปัญญางานของจิตเราพักจากนั้นเสียให้จิตเข้ามาสู่สมาธิพักแปรงพักเอากําลังเนหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องปัญญาขั้นใดก็ตามในเวลานั้นให้หมุนตัวเข้าสู่สมาธิสงบแน่วอยู่เพียงเทนั้นจะกกี่ชั่วโมงก็ให้อยู่จนกระทั่งจิตอิ่มตัวแล้วจิตถอยออกมาพอถอยออกมาแล้วที่นี่ไม่ต้องห่วงสมาธิคือไม่ต้องห่วงการพักผ่อนอีกต่อไปแล้วก้าเข้าสู่ปัญญาหมุนติ้วบนเวที นี่คือผู้ปฏิบัติเพื่อทรงมรรคทรงผลท่านปฏิบัติอย่างนั้นในสมัยปัจจุบันนี้ก็เป็นอยางนั้นเพราะอาริยสัจเป็นอันเดียวกันกิเลสเป็นอันเดียวกันทุกสมัมผัสไทยเป็นอันเดียวกันมรรคในโรกเป็นอันเดียวกันแก้กิเลสได้อย่างเดียวกันจเรียกว่าสุภารธรรมจัดได้ชอบแล้วชอบแล้วผู้ที่ปฏิบัติพิจารนาย่อมเห็นได้ชัดภายในตัวเองนี่นี่อธิบายถึงเรื่องภาวนามยปัญญาพอก้าวจากภาวนามยปัญญานี้แล้วเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาหาความเผลอตัวไม่ได้เลย เผอได้ยังไงกิเลสจะต่อยเอาเผอได้ยังไงกิเลสจะต่อยเอาเมื่อความเห็นโทษถึงขนาดพอขาดบาดตายกันแล้วนั้นจะเผอกันไม่ได้นั่นมหาสติมหาปัญญาตั้งตัวแบบนั่นเองพอตั้งตัวแบบเพื่อสละตายถ้าเผอเมื่อไรก็ตายเหมือนกับนักมวยต่อยกันหนีระหว่างจิตกับกิเลสกิเลสเข้าถึงขั้นละเอียดละเอียดมากและสติปัญญาก็ตามต้อนกันให้ทนหนันอย่างนั้นข่าไปเรื่อยทันไปเรื่อยข่าไปเรื่อย สุดท้ายสมมติหลุดพ้นขาดสะบัานลงไปจักหม้อใจนั่นเรียกว่าสมุ ท, ทยัยสมุทัยคืออะไรอวิชชาปัญญาสร้างขารานั่นแลคือยอดของสมุ ท, ทยัยในกิเลสบรรดากิเลสทั้งหลายขึ้นอวิชชาปัญญาสร้างขารารวมตัวไปอยู่ในจิตนั้นหมดกระแสะของมันถูกตัดสกัดละต้อนหมดออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ศาสการลัดลต้อนออกด้วยอํานาจของทางที่เก่ามาเบื้องต้นมีอธิจักรทุกขังราตาสุภาพสุตังเป็นต้นตีต้นเข้ามาต้นเข้ามาจนกระทั่งถึงจิตนี่อวิชาไม่มีทางเดินเครื่องมือหรือทางเดินถูกตัดหมดแล้วหลวมหมุนตัวก็ไปสู่จิตนี่แหละที่นี่เรียกว่ายอดจำโมทัยเข้าสู่จิตแล้วจิตจะมีความสว่างกระจ่างแจ่มมีความสว่างสวัยมีความอาจจัศจรรย์นี่ก็คือกลุอุบาย ค, คือโลก ข, ของวิชาที่หลอกจัดทั้งหลาย ผูปฏิบัติจึงต้องติดมีิเล็ดอะไรละเอียดก็ตามไม่ละเอียดเหมือนอวิชชาอาวิชชานี้แม้แต่มห า, าสติมหาปัญญายังหลงปนมันได้แต่หลงก็หลงเพื่ อ, เ พ, อเพื่อจะฆ่าไม่ใช่หลงเพื่อจะหลงไปเลยเหมือนความหลงทั้งหลายหลงหมัดของมันรั่วมันต่อยมาหลบฉากไม่ทันถูกต่อยเอาก็มีอันนี้แต่ว่ายังไงก็ตามจะต้องม้วนเสือแน่นอนพอถึงเข้าจุดนี้แล้ว มหาตีมหาปัญญานั่นหมายความว่ายัางไงไม่ต้องถามบอกรู้กันเองรู้กันเด็นในวงปฏิบัติบนเวทีของหัวใจผู้ปฏิบัตินั่นแหละเมื่ออวิชชาได้ม้วนเสื่อลงไปแล้วคำว่ามหาตีมหาปัญญาก็หมดปัญหาไปในทันทีทันใดโดยไม่ต้องบังคับบัญชานี่เรียกว่าพอเหมาะพอดีกันทุกอย่างทุกสมมุตินี้โรดมากขาดสะบั้นจากกันไปแล้วเหลือแต่ความมีมุดหลุดพ้นโผล่ขึ้นมาตรงกลางนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าจัดสรู้ที่ตรงนี้ พระสาวกอรหันลหันทั้งหลายตรัสรู้ริบารู้ธรรมขึ้นที่ตรงนี้เราจะตรัสรู้ที่ไหนเราผู้ปฏิบัติเราก็รู้ที่ตรงนี้เราจึงสามารถพูดอันนี้ออกมาเป็นเครื่องยืนยันได้ น, น, นั่นนี่แหละที่ว่าธรรมของบุญเจ้าเป็นเครื่องยืนยันโลกเวลานี้ก็มีอีกอย่างนั้นพระ พ, พุทธศาสนาของเรานี่นจึงเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเป็นตลาดแห่งพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหรัน สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นห้างร้านอันใหญ่โตเต็มไปด้วยอริยมรกคอริยผลจริงขอให้พาลูกพระหลานทั้งหลายตลอดประชาชนได้โยมเพราะเป็นผู้มีอริยสัจเหมือนกันจะปฏิบัติให้รู้ให้เห็นเดีกันแล้วพยายามต่างคนต่างอุตสาห์พยายามปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวทางของพระเจ้านี้ผู้หญิงก็พ้นทุกข์ได้ผู้ชายพ้นทุกข์ได้คารวะพ้นทุกข์ได้พระเนรพ้นทุกข์ได้เมื่อปฏิบัติให้ถูกถ้าไม่ถูกก็ เป็นทุกข์ได้ด้วยกันไม่ว่าพระว่าเนรคารวัตรญาติโยมเป็นทุกข์ได้ด้วยกันท่านนั้นถ้าปฏิบัติผิดตามจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติให้ถูกแล้วเป็นดังนั้นวันนี้ได้แสดงถึงเรื่องภาวนาขบไปถึงเก้าเก้าไปถึงภาวนามยปัญญาก็ยก็เลยไปใหญ่กันเลยจึยงขอสรุปเอาว่าศีลก็อยู่กับเราทุกท่านผู้ปฏิบัติรักษาศีลสมาธิอยู่กับเราทุกท่าน ที่เป็นผู้เสาะผู้แสดงหาจะบำเพ็ญให้เกิดให้มีพระพุทธเจ้าไม่ลำเอียงและไม่ทรงผูกขาดสั้นทิฏิโกประกาศกลางวันไว้กับผู้ปฏิบัติทุกรูปทุกนามไปพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดไว้เลยแม้นิดหนึ่งมอบไว้กับผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองในธรรมตั้งหลายที่กล่าวมานี้ยังขอให้ทุกๆ ท, ท่านแต่นำไปปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยตั้งหลายอยู่ในใจของเราคือความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี้ตุเป็นตัวภัยอันยิ่งใหญ่ ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเป็นภัยยิ่งใหญ่ยิ่งกว่ากิเลสสามประเภทนี้จงพยายามกําจัดมันออกจากใจแล้วอยู่ที่ไหนสบายหมดบันคืนปีเดือนดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมหมื่นแสนจักรวาลอะไรที่จะมาเป็นภัยต่อจิตใจไม่มีมีกิเลสประเภทเดียวมีกิเลสอันเดียวนี้เท่านั้นเป็นเป็นภัยต่อใจเมื่อกิเลสเต็มม้วนเสื่องไปแล้วไม่มีอะไรเป็นภัยต่อใจเวิรอมวางสุด เป็ดสุดชิดสุดบรมสุขโดยไม่ต้องคาดต้องฝันหากเป็นหากพอเหมาะพอดีอยู่กับผู้เป็นผู้บริสุทธิ์ผู้โธนี้เ ท, ท่านั้นในอวสานแห่งการแสดงธรรมนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยชั่วกันเทอเทปแล้วไม่รู้ว่าไปทางไหนเลย <laughs> <laughs> ไ, ไ, ไปตะเลิดเปิดเปิงเลยไปตะเลิดเปิดเปิงทีนี้จะให้พอนะ เป็นยัยที่ในปานทั่วหน้ากันยะถาวาริวหาปุราเปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสภิปุเรนตุสังกะาจานโ a ปนาราสยถามัญโชติ อะราโสยะถาสพิติโยวิวาชานตุสา พ, พโรโคมินาตตุมาเตภวัตมันตาราโยสุขีทีฆายโกโอภาวะอภิวาธนาศีริตนนิจังยุท่าปจายิโนจัตตารธท ม, มาวาทานเตอายุวันโนสุขังพาลัง ภาวะตุสาพมังคะลังราขานตุสพปฏเทวตาสัพพุท่านุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสทาโสติภาวันตุเตจบลัที่นี มันแคบยากนะ้เดี๋ยวทุกวันไม่เหมือนแต่ก่อนโอ้ยเทสเนี่ลากไปใสไปขนาดนั้นก็ไม่อยากไปมันลําบากทาร์คานะไม่อํานวยแล้วอันนั้นเสียอันนี้เสียล่ะแต่รถก็เก้แก่ก็แก่ละอีโลโคเก่งละแล้วลก็กๆๆๆๆๆๆรารงานว่าเสร็จสิ้นนะแล้ว่าขอจํากันไว้ทุกๆปีวันแรนแตกค่าแหง เดืนแตดซ่งก็ศึกษาแล้วมาพร้อมกันอย่างวันนี้เพื่อไม่ยุงท่านหลายหนอำเภอต่างๆจะตากฝนนิมนต์มาเปเมืองนี่เป็นจุดมากมาเนยเห็นในอำเภอหนองมะซอเหมือนมาญาจันดังคำนา้นจะหนาจำชื่อได้หรองูซ่อนจำเพราะจำในศานา คือจม่ได้ว่านมันเง็น้าไปหลังเังหลับู่กัตุ๊กตาเนี่ยลู่ที่ฉันนั่นแหละมันก็เป็นตุ๊กตาแค่ตุ๊กตามลูเลยอันนี้มันรู่ยิ่งเถอมันเอาเกียรชิดไม่อยากลู่กับอไรคอยมุดระวังตัวพอกระนุกอาเปนแค่แรงที่อยู่ข้างหลังกันนี่มลงข้างล่างนะก็ทยอยก็ทยอยกันองไปท่านี่มันจะเกิดหัวเราะยาไ เลี้ยวกว่า่างทีปัญญาเลือไปง่ายเลื่อเลื่อว่าเลอออกมาช่างฐานงานฐยนร่องห้องไรกันนะ l ้อเท้เหนื่อยแล้วไปแล้วว่าพิสะหรอนี่ลูกเตะตะวันล่ะกันฮึ ได้ด <singing>. ้วยสิ่งก็ไ่นิจเจมทำเงิเจติพาของพิพาไม่ได้ด้ยห้าขาดต้องการเป็นนี่เจติพานี่โลกพิพได้ไนะ